ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทเรามาฝึกทำจิตให้เป็นสมาธิเป็นสักครู่นหนึ่งตบบวังวันนี้เราจะเจริญเมตตาภาวนาคือการแผ่เมตตาให้ได้ฟังตั้งสติสัมปชัญญะเอาไว้สะก่อน ให้มีสติอยู่ในกายให้ทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่ในกายของเราเราจะมาแผ่เมตตกันรู้สึกตัวทั่วพร้อมไปในกายตั้งแต่ศีรษะจนถึงพื้นเท้าจากพื้นเท้าขึ้นมาถึงศีรษะว่ากายของเรานี้อยู่ในอิริบทอันใดแต่นอนอยู่ก็ลุกขึ้นนั่งต่นั่งได้จะนั่งอยู่จะเดินอยู่จะยืนอยู่ จะเคลื่อนไว้ทำอะไรอยู่ให้เรามีสติสัมปชัญญะอยู่ในกายก้อนนี้พอเรามีสติสัมปชัญญะอยู่ในกายแล้วนั่นคือหมายความว่าจิตของเราไม่ได้ส่งออกไปข้างนอกไม่ได้ส่งไปตามเสียงตามภาพตามความคิดนึกใดๆใช้กายเป็นฐานที่ตั้งของจิตให้เกิดสติจิตที่มีสติแล้วตั้งไว้ดีแล้ว นั่นคือเป็นอารมณ์เดียวคือเป็นสมาธิด้วยจิตที่เป็นสมาธิเป็นอารมณ์เดียวอย่างนี้ให้ตั้งจิตไว้อันเป็นไปด้วยกับเมตตาเมตตาคือความรักความปรารถนาดีเหมือนมารดารักบุตรหรือธดาที่เกิดออกจากขันของตนไม่ว่าบุตรหรือที่ดานั้นจะทำความเจ็บในช่วงระหว่างการคลอด เกิดมีปัญหาต่างๆหน้าตาอาจจะดูไม่ดีแต่มารดานั้นมีจิตใจที่มีความรักยังไม่มีเงื่อนไขให้ตั้งจิตแบบนี้แพรไปธรรมบุฟังแพรไปยังสรพสัตต้องหลายไม่ว่าจะตัวใหญ่หรือตัวเล็กไม่ว่าจะเห็นได้หรือมองไม่เห็นไม่ว่าจะอยู่ไกลหรืออยู่ใกล้ ไม่ว่าจะมีสองเท้าสี่เท้ามีเท้ามากหรือไม่มีเท้าไม่ว่าสัตว์นั้นจะมีกายหยาบหรือกายละเอียดไม่ว่าจะประกอบด้วยคุณหรือประกอบด้วยโทษที่อยู่ในทิศไม่ว่าจะเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนหรือเบื้องหลังแผ่ไปทุกฝั่ง แต่กระแสะจิตที่เป็นไปด้วยกับความรักความเมตตานี้ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วทุกทิศทุ ก, ท, ก, ท, ก, ท, กทางเปรียบเหมือนคนเป่าสังที่มีกําลังแข็งแรงสามารถเป่าสังให้ได้ยินได้ทั้งสทิศไม่อยากจะใดแต่นั้นก็ด้วยจิตอันเป็นไปด้วยกับเมตตาแปรไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายเฉ่นนั้นเหมือนกัน ทังนั้นก็โดยจิตอันเป็นไปนด้วยกับกรุณามุทิตาและอุเบกขาแปรไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายเชนันเหมือกันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขจงมีความเกษมจงมีความเจริญ เอ้าล่ะตบบุฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งวันนี้เรามาทำความเข้าใจในหัวข้อธรรมะในช่วงของใต้ร่มโพิบทในทุกวันพุธ ท, ทางรายการธรรมะรับอรุณโดยประสงค์ที่ให้ตบบฟังได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งก่อนนั้น เพื่อท่ให้มีความเข้าใจที่ลึกซึ้งเพราะว่าการฟังธรรมะแล้วเป็นงูพิษแล้วเกิดปัญหาทะเลาะกันเถียงกันหรือมีความเข้าใจผิดเพี้ยนคลาดเคลื่อนไปแั้วน่ะมันมีที่เข้าใจผิดเพี้ยนคลาดเคลื่อนไปนั้นเพราะว่าจิตไม่เป็นสมาธิบ้างเป็นมิจฉาสมาธิบ้างมีความเข้าใจมีปัญญาไม่ถูกต้องบ้าง จึงให้ทำสมาธิซะก่อนธรรมบุฟังข้อหนึ่งที่คนทั่วไปมักจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนไปจากสิ่งที่เหมือนเป็นนั่นคือเรื่องของขันติแปลว่าความอดทนวันนี้จึงจะนำหัวข้อเรื่องของขันติคือความอดทนมาอธิบายทำความเข้าใจให้นบุงังได้ทราบกันชื่อตอนวันนี้มีชื่อว่าขันติ ความอดทนคือทุกสิ่งความอดทนคือทุกสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในความอดทนนี้วันนี้ก็จะแจกแจงยกตัวอย่างอุป ม, ปมาปไมยพูดถึงเรื่องการนาไปใช้งานของความอดทนทั้งหมดเลยในประเด็นแรกก่อนเหี้ยจะไม่ได้ค่อยมีใครพูดถึงเรื่องของความอดทนนี้เท่าไหร่ก็คือว่า ทนเรามันจะอดทนได้เนี่ยมันต้องมีทุกอย่างอยู่ในความอดทนเช่นว่าถ้าเราถูกด่าถูกว่าถูกโกงถูกทำร้ายถูกทุกตีถูกขับรถปาดหน้าถูกทำอะไรก็าตามที่ให้เราไม่พอใจโอเคนะเราจะไม่โกรธขึ้นมาได้ไม่ด่ากลับได้ไม่คิดตําหนิถึงลามปามไปพ่อแม่เขาได้ไม่สวนกลับไปได้เนี่ย คุณต้องมีความอดทนหรือเปลา่าในจุดที่คุณจะมีความอดทนนั้นนะ่ะได้นะนะั่นน่ะปัญญามันต้องเกิด น, นะต้องมีปัญญานะต้องเห็นความด้วย่าเออฉันจะไม่ทําไม่ดีปัญญามันต้องมีอยู่ในความอดทนณนะจุดนั้นแล้วทันทีเราจะแบบลงมือทําร้ายเขาพูดด่าเขาพูดโกโหกเขานต่คือคุณจะปิดศีลใช่ปะ่ะต้อดทนนะ่ะว่าจะไม่ทําศีลมันอยู่ในนั้นทันทีศีลก็อยู่ในความอดทน ปัญญาก็ อ, อยู่ในความอดทนเพราะเวลาเราจะอดทนได้เราก็ต้องมีศีลเราต้องมีปัญญาแล้วอย่างเมตตาอีกเอาสมมติเราจะเมตตาใครสักค น, นคนหนึ่งที่เขาทำไม่ดีกับเราเราต้องอดทนนะที่จะไม่คิดตำหนิเขาหรือไม่คิดเว้นเขาไว้สักคนหนึ่งความอดทนเนี่ยมันจึงต้องแทรกอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างหรือจริงๆแล้วจะวางยี ก, ก็ได้ว่า ในคุณธรรมคือความอดทนเนี่ยมีคุณธรรมอย่างอื่นคือเมตตาศีลปัญญาอยู่ในนี้แน่นอนเรามาทำความเข้าใจไปทีละประเด็นตามฟังเริ่มจากตัวบทที่พระพุทธเจ้าท่านบัญญัติขึ้นไว้ก่อนท่านิธวบายคำว่าอดทนเอาไว้บอกว่า คือการที่ทนต่อความร้อนความหนาวความหิวความกระหายทนต่อสัมผัสแห่งเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลือยกลานทั้งหลายอดทนต่อคากล่าวอันหยาพายร้ายกาศที่บุรุกินแล้วอดทนต่อทุกเวทนาที่เป็นไปทางกายอันกล้าแข็งเจ็บแสบเป็นร้อนไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจอันแทบจะนาไปเสียซึ่งชีวิต นี่แหละคือความอดทนนี่คือบทบัญญัติตามพุทธพจน์เป๊ะเลยท่านว่าไว้อย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะแบ่งตรงนี้มันก็จะได้สามอย่างอย่างแรกคือความลำบากตรักรำอะไรต่างๆสภาพแวดล้อมที่ไม่ค่อยน่าพอใจร้อนเกินไปบ้างหนาวเกินไปบ้างนี่คือลำบากตรักรำ สัตว์ด้วยการยุ่งอะไรต่างๆที่ไม่น่าพอใจอันที่สองคือต่อทุกขเวทนาอันที่เป็นไปนในทางกายในที่นี้หมายถึงก่อเจาะจงคือการถูกทาร้ายบ้างการถูกทุบตีบ้างหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดภายในกายของเรา2ข้อ น, นี้ก็ยังเป็นส่วนที่เกี่ยวกับดังฟิสิเคิลคือทางด้านร่างกายจะจากภายนอกหรือร่างกายจากภายในก็ตาม1ี่คือสองข้อแร ส่วนที่สามคือทางวาจาคือถ้อยคําอันหยาบคายร้ายกาศเขาด่าเขาว่าในที่นี้มันจึงจะเริ่มเข้ามามีความเจ็บใจละคือไม่ได้โดนทางกายแล้วนะแต่ว่าโดนทางวาจาเขาใช้หอกคือปาทิ่มแทงมาทิ่มแทงมาแล้วมันก็กระเทือนใจแน่และอย่างที่สามนี้คือทางวาจาจากภายนอกให้เกิดความกระเทือนใจ ดัง น, นถ้าจะพูดแล้วมันต้องมีอย่างที่สี่ที่เกิดขึ้นมาในจิตใจของเราเองด้วยอย่างที่สีที่จะเกิดขึ้นมาในจิตใจของเรานนั้คือกิเลสที่มันจะถูกเกิดเทือนขึ้นจากทางกายและทางวาจาภายนอกนะทางกายภายนอกคือตินฟ้าอากาศสัตว์เดกรานใช่ไหมทางกายภายในคือการเจ็บไข้ได้ป่วยของตัวเราเองทางวาจาภายนอกคือคนก็ด่าก็ว่า ทั้งหมดนี้จะพุ่งเข้าสู่ในภายในในภายในมันมีอะไรกิเลสนั่นแหละที่จะพุ่งขึ้นที่จะให้โกรธขึ้นที่จะให้คิดไม่ดีผิดศีลไม่เข้าใจไม่มีปัญญาจิตฟุ้งซ่านไปเพราะนั่นเองก็จึงมีส่วนที่สี่ที่เป็นความอดทนต่อกิเลสที่เกิดขึ้นจากในภายใน4อย่างตั้วหวังแต่ดูจากพุทธบด์ตรงส่วนนี้แล้ววิเคราะห์ออกมา มีความอดทนที่เกิดขึ้นเป็นชั้นเป็นชั้นจากภายนอกทางร่างกายเข้าสู่ภายในทางวาจาด้วยทางใจด้วยนี่คือตัวบทที่พระพุทธเจ้าบัญญัตไว้ถ้ามาประกรันที่สองตัวฝังเรามาดูลักษณะของความอดทนดูจากสี่อย่างที่ว่าไปเนี่ยนะคือถ้าสมมุติตรงไหนคือไม่อดทนหรือ ขันติเนี่ยมันขันแตกแล้วหรือไม่จําเป็นต้องมีความอดทนเราแยกเป็นจันๆรซะ ก, ก่อนเอาพูดถึงอากาศที่ว่าร้อนหนาวใช่ไหมสัมผัสดึงเหลือบยุงลมแดดสัตว์เลื้อลานที่เราไม่ชอบอ่ะมันมีคําว่าไม่ชอบร้อนเกินไปไม่ชอบหนาวเกินไปไม่ชอบอ่ะแสดงว่าถ้ามันมีที่พอดีพ ด, พดีก็คือไม่จําเป็นต้องมีความอดทนอย่างนั้นหรอกเช่นว่า คนที่ชอบงูเขาก็ไม่จําเป็นต้องทนงูไงแต่คนที่ไม่ชอบงูโอุ้ยไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ ไ, แบบไ ม, ไม่อยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวกลัวกลัวกลัวเขาต้องทนอย่างมากหรือที่อยู่เหนอภูมิยี่สิบห้าองศาคนไทยเน่ยโอ้ชิวเลยสบายบางที่ใส่เสื้อกันหนาวไปด้วยซ้ําแต่ฝรั่งนี่บอกโอ้ร้อนร้อนรอนต้องทนมากต้องทนมากเอ้คนหนึ่งทําไมถึงมีความต้องทน อีกคนหนึ่งถึงไม่ต้องนทง น, นทั้งเดนนี่ว่ามันอุนหภูมิเดียวกันหรือคำพูดเนาคนพูดว่าหมูหมาอย่างนี้เป็นต้นนะให้เราฟังคำว่าหมูและหมาคนหนึ่งฟังนี่โกรธจีตเลยเพราะฉันอ้วนอยู่แล้วเงี้ยนะเรามาว่าฉันว่าเป็นหมูตอนอย่างเงี้ยหรือฉันทำอะไรไม่ดีก็มาว่าฉันว่าเหมือนหมาอย่างเงี้ยนะ แต่คํำนี้ก็เอาไปเรียกเด็กๆเออดูน่ารักพูดในทํานองว่าเป็นคนคุ้นเคยกันเฮ้ยเขาไม่เห็นต้องทนอะไรไม่ต้องไม่ได้โกรธอะไรไม่ได้จะมีปัญหาอะไรในขณะที่คนหนึ่งออืแข็งมากแค็มงมากต้องทนมากต้องทนมากหรือเข้ามาในกายของเราอีกเข้ามาในกายของเราอีกคือเช่นโรคภัยอะไรเจ็บอย่างนี้ผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งอย่างเนี้ยก็จะมีอาการปวดมากโดยเฉพาะยิ่ง มะเร็งกระดูกมะเร็งปากมดลูกมะเร็งต่อมลูกหมายอย่างเงี้ยปวดมากเนี่ยเอ๊ะแต่ว่าสองคนนี้เป็นมะเร็งเหมือนกันแต่คนหนึ่งเนี่ยโอ้โหทำไมหน้ามู่บี้เลยทุรนทุรายมากอีกคนหนึ่งเนี่ยแบบยังชิวๆอยู่เอ๊ะทาไมเขาไม่ปวดหรอเขาบอกเขาปวดอยู่แต่บอกเขาทนได้แล้วทำไมคนหนึ่งก็ปวดเหมือนกันแต่แบบทนไม่ได้แบบมีปัญหาขึ้น มีสวัสวจิใจที่ไม่ดีขึ้นตรงนี้ถ้าเราดูสถานการณ์แบบนี้แล้วในส่วนที่เป็นครอธิบายเนี่ยเพิ่งนจึงแบ่งขันติไว้เป็นสองประเภทสองประเภทนะขันติคือความอดทนที่หมายถึงต้องอดกลั้นแต่ต้องอดกลั้นนี่คือแบบมันต้องยับยั้งไว้ให้ได้กับขันติอีกแบบหนึ่งที่มันชิวๆแล้ว เป็นขันติที่เรียกว่าแบบแบบฉันทําได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาเป็นเรื่องสบายๆของฉันสองส่วนนี้ต่างกันยังไงไอ้ส่วนที่ว่าเป็นความอดกลั้นแบบออืมันต้องทนมากๆเลยเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าอธิวาสนาขันติอธิวาสนาขันติเขามีสาเรียงนะที่ต้องอดกลั้นมากๆกับขันติส่วนที่แบบชิวๆแล้วไม่ได้ว่าต้องอดกลั้นอะไรมากธรรมดาธรรมดาเขาเรียกว่า ตีติขาขันติตีติขาขันติแต่หมู่ฟังอาจจะไม่ต้องจําศัพท์ก็ได้นะแต่ว่าชื่อเนี่ยมันจะมามีความหมายภายหลังตีจะอธิบายให้ฟังต่อไปอธิวาสนะก็คือต้องอดกลัน้นมันจะต้องมีความที่แบบไม่พอใจเกิดขึ้นอยู่ในขณะที่ตีติขาเนี่ยคือมันเป็นสิกขาของเราละเป็นธรรมดาของเราละ ดูตัวอย่างเช่นอุณหภูมิ25ของคนที่โอเคฉันชิวแล้วไม่ร้อนแล้วแต่คนที่ไม่ได้เคยผ่านอุณหภูมินี้มาก่อนโอ้มันร้อนมันร้อนเขาก็ยังเป็นอธิวาสนะขันติอยู่ในขณะที่คนที่ชิวแล้วเขาทนได้ธรรมดาธรรมดานั่นคือเป็นตีติขาคันติของเขาแล้วหรือคำด่าคำว่าดูอย่างทหารเวลาฝึกร่างกายอย่างนี้ก็ได้ฝึกสมรรถภาพแววิ่งเนี่ยโอ้2กิโล เหนื่อยมากเรเหนื่อยจนหัวใจแทบจะหลุดออกมานอกอกนี้โอ้ไม่ไหวไม่ไหวนั่นคือต้องทนมากเป็นอธิวาสนาขันติต้องอดกลั้นอย่างมากในขณะที่ถ้าฝึกร่างกายอย่างดีแล้ววิ่งสองกิโลนี่ชิวๆห้ากิโลสิบกิโลมาเลยสองกิโลในกลายเป็นเรื่องธรมธรมดาธรรมดาเป็นตีติขาขันติไปจุดหนึ่งที่จะให้เห็นความ ชัดเจนได้มากขึ้นก็จะอธิบายเรื่องของเส้นทางมาประกอบกันด้วยสมมติว่าทัมโมฟังยืนอยู่บนเส้นทางเส้นหนึ่งแต่ที่เส้นทางนี้ข้างหน้าในคืนนิพันธ์เส้นทางนี้แน่นอนต้องมีมองค์ประกอบเรืเองต้นอย่างถูกไหมเรากําลังหันหน้าไปทางนิพันธ์ขณะที่เรากําลังเดินไปนี่มันก็จะมีสิ่งมา ก, กระทบผ่านต่างต า, งางหูจมูกลิ้นกายและใจให้เราออกนอกเส้นทาง หรือหันกลับหลังซะถ้าหันกลับหลังนี่ไปนรกกำเนิดเดราาัจฉานปรต ว, วิสัยอาบายต่างๆหมุนแค่ร้อยแปสิองศานะไปข้างหลังลับไปข้างหน้าเป็นนิพพานไปข้างหลังเป็นนรกระหว่างทางมีสิ่งมากระทบต่างๆตอลอดเวลาโอเคนะนั่นคือจินตนาการตามกันไปแล้วบรากว่าสิ่งที่มากระทบเนี่ยเป็นความร้อน เกินไปหนาวเกินไปอากาศไม่ดีเป็นความหิวเป็นเหลือบยุงลมแดดอันนี้คือความลหบกักตรากตําแล้วก็ถ้าเป็นโรคภัยไข้เจ็บในทางกายเกิดเป็นตุกเวซานกายละเป็นกายภายในแล้วก็มีคําด่าคําว่าเตอรที่เสียเสียหายหายถูกใส่ร้าย ด, ด้วยคำหยาบคายนี่คือทางวาจานะถ้าเกิดสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วแล้วเราแบบอารมณ์เสีย ร่มเสียเนี่ยคือคิดเบียดเบียนเขาบ้างคิดเบียดเบียนตัวเองบ้างคิดเบียดเบียนผู้อื่นบ้างหรือคิดไปในทางกามบ้างคิดไปในทางพยาบาทบ้างให้เขาได้ไม่ดีลักษณะความคิดที่เป็นไปในทางการพยาบาทหมายถึงอยากจะไปหาความสุขอย่างอื่นที่มันจะดีกว่านี้หรือคิดพยาบาทปองร้ายเขาหามทุกฝั่งนะวะ ความคิดในทางการพยาบาทและเบียดเบียนนั้นเป็นสัมมาสังกปรกหรือเป็นมิจฉาสังกปรกเป็นความคิดที่เป็นสัมมารหรือเป็นความคิดที่เป็นมิจฉามันแน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมล่ะว่ามันเป็นมิจฉาสังกปะอรกถ้าเป็นมิจฉาสังกปรกองค์ประกอบอันประเสริฐแปดอย่างนี้มันหายไปแล้วนะอย่างหนึ่ง๋ ถ้ามีมิจฉาสังกษษษัปสะแล้งว่าคุณมีมิจฉาทิฏฐิแล้วมีมิจฉาสติแล้วมีมิจฉาสมาธิแล้วนะหันกลับหลังแล้วนะ่ะไม่ได้เดินไปตามทางที่จะมุ่งหน้าไปนิพพานแล้วนะไอ้ต้องจุดที่วพอมีอะไรมา ก, กระทบปุ๊บแล้วเราทนไม่ได้อดกลั้นไม่ได้คุณหันร้อยปสบองศากลับหลังเลยมุ่งหน้าในทางที่จะไปอบายทุกขติมินิบาตนารกแล้วเลย ออกนอกเส้นทางนี้แล้วทันดีไปทางอื่นที่มันไม่ใช่ทางแล้วนั่นคือทนไม่ได้ซึ่งทนไม่ได้มันก็เหมือนกับเก็บกฎนั่นแหละขันติคือความอดทนไม่ใช่เก็บกฎนะตัมฟังนี่คือประาการต่อมาที่ต้องทำความเข้าใจว่าอดทนหมายถึงอดกลั้นในที่นี้อธิวาสนาขันติไม่ใช่เก็บกฎเพราะการเก็บกฎนั้นคือมีมิจฉาสังกปะเก็บเอาไว้ ซึ่งมันจะรอวันระเบิดออกมาแน่นอนนั่นคือคุณหันหลังกลับไปสู่ทางที่ไม่ดีละเก็บเอาไว้ละเก็บกดเอาไว้ละผูกเวรเอาไว้ละผูกกรดเอาไว้ละรอวันระเบิดรอวันประตูอย่างเดียวนั่นคือถือว่าไม่มีอาธิวาสนาคันตินะคือไม่มีความอดกลั้นในดังใจต่อกิเลสที่มันเกิดขึ้นแล้วนั่นคือไม่อดทนล้วไม่มีความอดกลั้นแล้วไปตามอำนาจของโลภะ ราคาโทสะหรือโมหะแล้วคือไปตามมาแล้วไปตามความคิดที่ไม่ดีแล้วไปตามความอยากแล้วไปตามความหลงแล้วคือไม่ได้อดทนแล้วคือไม่มีความอดกลั้นในเวทนาภายนอกภายในคำพูดต่างๆที่เกิดขึ้นดูภายนอกอาจจะไม่ได้ตอบโต้อะไรนะคือไม่ได้ด่ากลับไปมือไม้ไม่ได้ขยับไป หน้าตาอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปชักสีหน้าอะไรอย่างนี้ไม่มีแต่ว่าถ้าภายในไปตามกิเลสไม่ได้มีความอดกลั้นภายในได้คิดพยาบาทเบียดเบียนหรือไปในทางการก็ตามนั่นไม่ได้มีความอดทนนั่นไปตามกิเลสแล้วไม่มีความอดกลั้นแล้วหลุดแล้วเก็บกดแล้วไม่ใช่คันติแล้วโอเคนี่คือเคสที่หนึ่งเคสที่หนึ่งก็จะมีเคสปลีกย่อย เติ่มเติมเข้าไปอีกอย่งเช่นว่าอาจจะตอบโต้กลับไปด่ากลับไปหรือว่าลงมือลงไม้นี่จะเป็นส่วนการตอบโต้ที่อยู่ในเคสที่1ด้วยรวมถึงเรื่องการเก็บกดด้วยต่อมาเคสที่สองถึงก็จะมีเคสที่3ต่อไปอีกนะเคสที่2นี่ก็คือโดนภาษายอย่างเดียวกันโดนาษายอย่างเดียวกันเลยเถูกด่าถูกว่าความร้อนความหนาวหรือแรงต่างๆมากระทบละทีนี้คราวนี้ กลั่นได้อดกลั่นได้ที่ว่าจะไม่พอใจเนี่ยน่าทนเอานะ่ะทนเอาคือไม่คิดเบียดเบียนใครไม่คิดร้ายกันแต่ว่ามันต้องทนมากๆเลยนะนี่เป็นอย่างนี้นะไม่ได้เป็นการเก็บกด น, นะแต่ไอจังหวะที่ว่าอืมฉันต้องกลั่มกลืนฝืนทนร้อยก็ต้องทนนะ่ะทําไมอ่ะเอาทำงานเพื่อลูกบ้างเพื่อพ่อแม่บ้างเพื่อคู่ครองบ้างคุณจะเป็นต้องทําไม่คิดร้ายกับใคร ไม่คิดร้ายกับหัวหน้าไม่คิดร้ายกับลูกนอก้องไม่คิดร้ายต่อระบบแล้วก็ทำจิตใจให้ผ่องใสฉันก็จะต้องทำงานต่อไปถึงว่าฉันก็ไม่ได้ไม่พอใจอะไรละมันก็ต้องอดทนนะอะอดทนแบบนี้คืออดกลัน้นโดยไม่เก็บกดแล้วก็ต้องทนอยู่ต้องทนอยู่ต้องมีความอดหนชนิดที่เป็นความอดกลัน้นคืออธิวาสนขันติอยู่ถูกเขาดา่า อ้าวกูเราไม่ได้ตั้งใจจะทําถูกด่ามางี้ใช่ไหมฟังแล้วมันก็ไม่พอใจแหละแม่แต่จะคิดร้ายเขาเนี่ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่คิดร้ายไอ้จุดที่โดนกระทบแล้วคุณต้องอดกลั้นมากๆเลยเนี่ยอันเนี้ยคือมีขันติชนิดที่เป็นอธิวาชนะขันติแล้วแต่ต้องทนอยู่นะต้องทนอยู่แล้วก็จะมีความไม่พอใจเกิดอยู่แต่พยายามที่จะระ ง, งับไม่ผูกโกรธ ไม่คิดปองร้ายทําใจให้มันอยู่ในภาวะปกติให้มันได้ดีมากที่สุดอาจจะหลุดหลุดไปบ้างนะั่นคือถอยหลังไปใช่ไหมหันกลับร้อยแปองศาแต่ว่าก็พยายามจะกลับมาในตําแหน่งที่ดีของตนเดิมเหมือนเดิมอยู่ออกนอกทางไปบ้างแต่ก็พยายามกลับมาในเลนอยู่นี่นคือเคสที่สองก็ยังต้องมีความอดกลั้นอยู่มากแต่ไม่เก็บกดฎลกไม่ได้คิดปองร้ายก็ละไม่ได้คิดปยาบาด ล, ละ จุดนี้เป็นความอดทนจริงๆเนี่ยศีลก็อยู่ตรงนั้นนะคือหมายความว่าเราอยู่ตามทางมากได้ไงตูงฟังเจอภาษาที่ไม่น่าพอใจความร้อนความหนาเป็นต้นเหล่านี้แล้วแล้วเรายังรักษาองค์ประกอบอันประเสริฐแปดอย่างอยู่ได้องค์ประกอบอันประเสริฐแปดอย่างมีศีลสมาธิและปัญญาอยู่ในขันตินั่นเลยตมบูฟังขันติ คือความอดทนจึงเป็นทุกสิ่งทุกสิ่งอยู่ในความอดทนตรงนี้คุณจะให้รักษาศีล ส, สมาธิและปัญญาได้ต้องอดทนนะถ้าเจอภาษาที่ไม่น่าพอใจอ่ะอย่างเช่นแต่กรณีของกูชายมีโอกาสที่จะมีกิก๊กหรือมีคนมาล่วงลวงยั่วยวนแล้วคุณจะผิดศีลข้อสามไหมหรือคุณเป็นคนมีอานาจจะโกงได้คุณจะโกงไหม หรือคุณเป็นเจ้านายมีลูกน้องทําไม่ถูกใจคุณจะด่าเขาไหมหรือคุณเป็นลูกน้องเจ้านายด่าเขาให้แล้วมีโอกาสจะนินทาเจ้านายคุณจะนินทาเ็าไหมถึงจุดที่ว่าอืมฉันจะจะทำอย่างนี้ใช่ไหมคือจะทำบรรปากะยับมือขยับเนี่ยมป็นผีสีแล้วแต่ว่าอืไม่ทําไม่ทมนะมันต้องอดกลั้นนี่หรืว่ามันต้องฝืนนะถ้าสมมติจะต้องฝืนหม จะเก็บปากเก็บคาไม่ด่าเขากลับหรือไม่นินทาเขาลับหลังไม่พูดดีกว่าคิดว่าจะพูดแต่ไม่พูดดีกว่าไอ้ความคิดแบบนี้คิดว่าจะคิดไม่ดีเขานะแต่ไม่คิดดีกว่าไอ้ความคิดแบบนี้คิดว่าจะลงมือทำหน้าจะโกงหน้าจะทาผิดศีลข้อสามนะแต่ไม่ทำดีกว่าหรือคิดว่าจะขี้เกียจจะนอนหน้าไม่อ่านหนังสือน่ะหรือว่าแอบกิน อิ่มแล้วก็ยังกินอีกนะ่ะอแต่ไม่ทําดีกว่าจาังหวะนั้นนั้นท่านูฟังเราต้องมีความอดกลั้นอยู่นะถูกป่ะให้มันทนเนี่ยนั่นคือขันตินะขันติทําให้คุณรักษาสีได้ทาให้จิตเป็นสมาธิทาให้ปัญญาเกิดนะในขันตินั้นต้องมีปัญญามีสีมีสมาธิอยู่นะเออนี่คือเคสที่สองส่วนในเคสที่สามท่นผู้ฟังนั่นคือจะขึ้นมาอีกระดับหนึ่งละ สำหรับบางคนเนี่ถ้าเรื่องจะให้ไปนอกใจคู่ครองของตนหรือไม่ว่าจะฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายก็ตามโอ้เรื่องนี้เออฉันไม่ทําอยู่แล้วโอ้เรื่องนี้ผมไม่ทําอยู่แล้วคือผมไม่ได้คิดไปในเรื่องนั้นเลยถ้าจะมีใครมายัา่วยวนร่วลวงหรือมีโอกาสที่จะทําขึ้นเนี่ยโอ้มันจิตมันไม่ไปเลยอันนี้คือเขาไม่ได้ต้องกดลั่นใดๆเลยถูกปะก็เป็นธรรมชาติของฉันเป็นอย่างนี้อยู่แล้ว ฉันไม่ได้จะต้องมีต้องมาฝืนอะไรคืออันนี้ไม่ได้เป็นอธิวาสนาขันติไงถูกปะแต่อันเนี้ยเป็นตีติขากันติคือขันติที่ปฏิบัติมาจนเป็นธรรมชาติแล้วนะเป็นจิตใจมีความแข็งแกร่งแล้วธรรมดาเลยอ่นเนี้ยเพราะฉะนั้นไอ้ตีติขากันตินี่จึงเป็นเหมือนกับว่าความอดกลัน้นเนี่ยมันหายไปแล้วขันติคือถ้าเราจะมองผิวเผินนะจำบ้ังนะพอเรา ฝืนเราทําเราปฏิบัติเราทําได้จนมีขันติเพิ่มขึ้นมาขึ้นเอ๊ะมันหายไปแฮะเออมันเหมือนหายไปเป็นคุณธรรมที่เราฝึกเราทําให้มีมากขึ้นมากขึ้นมาขึ้นมาขึ้นจนเอ๊ะทำไมมันเหมือนหายไปแต่มันไม่ใช่หายไปไงทุกังขันติมันจึงมีสองลักษณะที่ว่าถ้าเห็นชัดๆเนี่ยมันเป็นความอดกลั้นเรื่องอธิวาสนะขันติแต่ถ้ามันบิวอินอยู่ในตัวเราแล้วมัน ชุ่มอยู่ในจิตใจของเราแล้วมันฝังอยู่ในกระบวนการการคิดการนึกตัวตนของเราแล้วเนี่ยมันกลายเป็นตีติขากันติตีติขาก็คือสิกขาสามอย่างนั่นเองสิกขาสามอย่างคือศีลสมาธิปัญญาฝึกทำจนเป็นข้อปฏิบัติเป็นสิกขาแล้วสิกขาหมายถึงการศึกษาด้วยการปฏิบัตินะทาจนเป็นส่วนหนึ่งของตัวเราแล้วนะ่ะ ก็ถึงว่า เ, เป็นสิขามีสิกขาสามคือศีลสมาธิปัญญาที่ฝึกจากการอดทนนั่นแหละผ่านมาจากกระบวนการการอดกลัน้นคืออธิวาสนการตีนั่นแหละทำซ้ำทำยําทำยําทาซ้ำฝืนฝืนอดกลัน้นอดกลัน้นจนกระทั่งว่ามันมันธรรมดาละดูร่างกายของเรานี่จะบอกได้ชัดเจนเช่อมาเรื่องความหิวอย่างเงี้ยตามข้าพเจ้าวดใหม่ๆนวรั โอ้ยจากคนกินวันละสามื้อเนอะบางวันนี่สี่มื้อห้ามื้ออย่างเงี้ยนะแต่รวมอาหารว่างด้วยมาเหลือกินสองมือ้อมาเหลือกินมื้อเดียวร่างกายเนี่ยมันมันจะมีน้ำย่อยมีอะไรออกมามันจะมีความรู้สึกหิวจากการที่ว่าเราไม่ได้กินอาหารตามเวลาที่เราเคยรับประทานถูกไหมโอ้ยตรงหิวมากหิวมากวันแรกๆนี่คืออารมณ์เสียเลยนะอารมณ์เสียไว่เฮ้ยทาไม ฉันต้องมาทำอย่างนี้แล้วก็คิดแบบปรุงแต่งพานไปเรื่องนั้นเรื่องนี้อารมณ์เสียคืออะไรคือโกโรธแล้วใช่ปะโกโรธแล้วคุณตามอำนาจความโกโรธนั้นไปการคิดนึกปรุงแต่งอะไรตามอำนาจความโกโรธที่โผล่ขึ้นมานั้นก็เป็นกา ร, รมไม่ดีละไงเป็นอะไรเป็นมิจฉาสังกปะตามต่อมานี่คือเป็นเคสแรกเลยนะที่ว่าเป็นการเก็บกดละเป็นการเก็บกดละแล้วถ้าบอกว่าแบบ ผิดศีลไปเช่นไปแอบกินข้าวเย็นหรือว่าแบบด่าคนโกหกคนว่าฉันไม่ได้กินแต่ฉันกินไปแล้วเฮ้ยผิดศีลละอันนี้คือออกมาทางกายออกมาทางาวาจาละเราอะไรเพราะทนไม่ได้เพราะผิดหมักแล้วไม่มีศีลสมาธิปัญญาแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วนี่คือโปรอมาทางกายวาจาหรือถ้าไม่โปรมาทางกายวาจาก็ยังเก็บอยู่ในใจนั่นก็เป็นการเก็บกดโอเค หนึเคสสิหนึ่งแต่ว่าก็พยายามปรับจิตปรับใจนะพยายามฝืนเอาเราเราตั้งมั่นในศีลแน้วอ้การฝืนตรงเนี้เดี๋ยวจชกุลมาบอกนะว่าเราจะพัฒนาจากที่เราไม่มีความอดทนจนมาเป็นมีความอดกลั้นแล้วก็ให้เป็นขั้นสูงขึ้นไปเนี่ยจะทํำยังไงบอกให้ก่อนตอนนี้ก็ได้คือเขาศรัท ธ, ธามาเราจา้าศรัทธามาว่าเรามีศรัท ธ, ธาในคําสอนของพบบระพุทธเจ้านะเออเราเห็นตัวอย่างจากครูบาอาจารย์นะ คนึ่งเขายังทําได้ทำไมเราจะทําไม่ได้เอาล้ว เ, เราทําดูอ่ะเราฝืนดูหนะ่อยเราไม่คิดไม่ดีกับใครไอ้จะไม่คิดไม่ดีกับใครได้ใช่ป่ะคือไม่ทําผิดเนี่ยคุณต้องมีศีลละเอาเราทำไมคุณหนึ่งจะมีศีลไะ้ศรัทธาไงเอาศรัทธานำเนอะเอาปัญญามาใส่ไว้ด้วยเนอะเอาเอาศีลด้วยมาใส่ไว้เอามันก็มีศีลสมาธิปัญญาอะไรใช่ไหมล่ะแม้แต่เป็นญาเขาโต้ทนมากเลยมีความโดกลั่นมากๆากนี่จึงมาเป็นเคสที่สองละ ว่ามันก็ยังมีทุกขเวทนาอยู่นะทางกายนะยิงต้องอดกลั้นนะมัยังอยากกินอยู่แต่ว่าก็ไม่ทําผิดศีลนะคิดให้ดีนะเห็นประโยชน์ของการรักษาศีลนะเห็นโทษของการผิดศีลนะคิดพิดจารณาไปใช้ปัญญาด้วยใช้ไตรตรองโดยแยกคายด้วยใช้ศรัทธาด้วยไอ้จากที่ไม่สามารถอดกลั้นได้ทําผิดไปจนมาเป็นเก็บ กรจนมาเป็นอดกลั้นได้ตรงนี้จึงเป็นเคสที่สองอดกลั้นขึ้นมาไดา้ทีนี้พอเราทําไปทําไปสักสามวันสี่วันเรยไอ้ความรู้สึกหิวเนี่ยมันจะเบาบางลงเจ็ดวันด้านั้นอะไม่เกินแล้วพอไม่ได้กินข้าวเย็นสักเจ็ดวันไอ้ที่ว่ามันจะต้องมารู้สึกว่าฉันต้องกินฉันต้องกินเนี่ยมันจะหายไปมันก็ธรรมดาแล้วกินสองมือ้อหรือกินมื้อเดียวกินมื้อเดียวเนี่ยสบายสบายละ คนที่ฝึกฝืนธทำมาจนกระทั่งเจ็ดวันสิบวันเนี่ยเห็นทุกวันนี้ท่านผู้ฟังที่ฟังรายการธรรมารัปรุณที่รับคําท้าในช่วงปัญษาเนี่นะบางคนในช่วงปัญษานี่ฝึกกินมือเดียวบางคนในช่วงปัญสานี่ฝึกอุปนิสัยอย่างใดอย่างหนึ่งทํามาสักเจ็วันสิบวันครหึ่งเดือ น, เ ด, อนเดือนหนึ่งเนี่ยมันธรรมดาแล้วนี่จึงเป็นเคสที่สามแล้วว่ามันไม่ได้รู้สึกจะต้องมาอดกลั้นอะไรนะมันธรรมดาคือร่างกายของเราเนี่ย มันปรับแล้วไงคือในทางกายภาพในทางชีววิทยาในทางกระบวนการทางชีวเคมีเขาจะมีคําที่อธิบายได้โน้ว่าเซลล์นี้เขาปรับไปเขากระบวนการการหลังน้ําย่อยหรือไอฮอร์โมนหรือจุลินทรีย์อะไรที่มันทํางานเนี่ยมันเปลี่ยนสภาพการทํางานไปนะนี่คือทางฟิสิกอลใช่ไหมแต่ทางจิตใจเนี่ยไอความอดทนชนิดที่เป็นความอดกลั้นคืออธิวาสนาขันติเนี่ยมันหายไป จริงๆมันไม่ได้หายไปนะฟังมันเปลี่ยนไปเป็นตีติขากันตีไงเปลี่ยนไปเป็นขันติชนิดที่เป็นศิกขาสามอย่างแล้วไอศีสมาธิปัญญาของเราเนี่ยรักษาได้ดีแล้วอยู่ตามทางแล้วชนิดที่ไปข้างหน้าละ่ะไม่ได้อยู่ในสภาพคงที่คือขันติชนิดที่เป็นความอดกลั้นเนี่ยนะทำให้เราอยู่ในสภาพคงที่นะคงที่หมายถึงไม่ถอยหลัง ไม่ถอยหันหลังกลับร8 0ยปองศาไปทางไปทางทุกติเป็นที่ที่ไม่ดีไม่หันกลับไปตรงนั้นรักษาสภาวะที่คงที่คือทางศีลสมาธิปัญญาอยู่ไว้อย่างเนี้ยให้มันได้นั่นคืออดกลั้นใช่ไมถ้าไม่อดกลั้นนะคือถอยหลังนะถ้าเก็บกดคือถอยหลังนะถ้าหลุดคือถอยหลังนะเราจะรู้ได้ไงว่าคุณอดกลั้นไม่ได้แล้วก็นั่นคือต่อเมื่อคุณผิดมักแป ถ้าเราออกจากองค์ประกอบอันประเสริฐแดอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งแสดงว่าคุณดุจแล้วขันติเนี่ยไม่มีแล้วแต่ถ้ายัางรักษาไว้ได้ที่มันจะสังเกตยากเนี่ยมันคือมิจฉาสังกปะสัมมาสั ง, สงกปะนี่แหละเราคิดไม่ดีกับเขาปะเราผูกเวรปะถ้าเรามีนั่นคือเก็บขนนะถ้าเราไม่มีแต่มันต้องฝืนนะสําหรับคนเนี้ยอ่า น, นั่นคืออดกลั้นนะคืออธิวาสนาขันติแต่ถ้าบอกว่าเราแบบไอความอดกลั้นเนี่ยมันหายไปแล้ว มันกลายเป็นธรรมดาแล้วเป็นธรรมชาติของจิตของฉันแล้วที่ว่าฉันจะแผงเมตายคนอื่นได้ฉันจะมีอุเบกขาได้ฉันจะรักษาศีลได้เหมือนร่างกายเนี่ยมันไม่ได้จะหิวละเวลาตอนเย็นตอนบ่ายๆมามันก็ธรรมดานะไอ้ที่เป็นธรรมดาเนี่ยมันคือเป็นตีติขากันติคือมีสิกขาสามอยู่เป็นปกติอยู่แล้วอันนี้คือเดินหน้าเลยเดินหน้าต่อไปได้ต่อไปได้ทำอะไรต่างๆให้มันละเอียดไปได้ ซึ่งก็แน่นอนว่าจะต้องเจอข้อสอบต่อไปอีกมูฟังละเอียดแล้วก็ยังละเอียดอีกมันก็ต้องเจอสิ่งที่มาทดสอบจิจาระวัคคุโยชนได้ไหมเพราะว่าเดินตามทางนี้มาหลายเราจะเดินไปตามทางมันต้องมีเครื่องมาทดสอบว่าคุณจออกจากทางหรือเปล่าตรงนี้มันจึงเป็นพละและอินทรีย์ต้องมาด้วยกันเห็นไหมว่าในกัณติมันก็ต้องมีอินทรีย์และมีพระอยู่ในนี้ด้วย ขันติคือความอดทนเนี่ยจึงเป็นทุกสิ่งไงแต่บฟังอินซีเนี่ยคือความที่เราจะบรรลุทําได้เร็วหรือได้ช้าอยู่ที่อินทรีย์คือสัท ธ, ธาวิเดียสติสมาธิปัญญามันจะมีความแก่กล้าก็คือคุณเดินไปตามมรรคได้เร็วได้ไวมันก็จะไปถึงจุดหมายขืดอิปานได้ง่ายได้เร็วนั่นคือบรรลุทําได้เร็วนั่นคืออินรีย์ส่วนปัละคือความที่ว่าคุณจะตั้งมั่นอยู่ในทางได้ไหมถ้าเวลามีอะไรมากระทบ จะมีเรื่องมายั่วให้เราผิดศีลมีสิ่งที่มันจะทำให้เราฟุง้งซ่านขึ้นคุณจะตั้งมั่นอยู่ในศีลสมาธิปัญญาได้ไหมจุดที่จะทำให้เราคงที่อยู่ตามทางได้ต้องมีศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญานั่นคือปละในทั้งอินทรีย์และภละก็ต้องมีขันติด้วยนั่นเองประการตัดมาอีกทุกมฝังก็บรรยาอยากจะยกเคสที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาล แล้วก็จะตามด้วยประเด็นที่ว่าเราจะพัฒนาความอดทนของเราจากที่ว่าอดทนไม่ได้ให้มันเป็นอย่างน้อยก็เก็บกดเอาไม่แสดงออกทางกายทางวาจานะ่ะแต่เก็บกดอยู่ข้างในพัฒนาจากที่ต้องเก็บกดเอาให้มันเป็นอย่างน้อยอดกลั้นได้นะ่ะมีอธิวาสนะขันติจากที่เป็นอธิวาสนะขันติอดกั้นได้เนี่ยให้มันมาเป็นตีติาขากันติกรดูเคสท่าฟัง เพื่อจะเห็นแนวทางเคสแรกเอาเรื่องของท่านพระปุณณนะท่านพระปุณณะเป็นชาวสุนาปรันตะเป็นหนึ่งในศีติมหาสาวกเดิมที่นี่ท่านเป็นพ่อขาที่อยู่ร่วมเดินทางค้าขายจากเมืองสุนาปรันตะไปตามหัวเมืองต่างๆคราวนั้นก็นำเกวียนห้ารอยเล่มแล้วก็เมนจนถึงเมืองสาวัตถีได้มีโอกาสไปฟังธรรมพระพุทธเจ้า เกิดความเลื่อมใสแล้วมาบวชมอบทรัพย์สมบัติอะไรต่างๆให้น้องชายไปจัดการทีนี้ทํากรรมฐานฝึกอะไรต่างๆอยู่นี่ไม่สําเร็จก็เลยคิดว่าจะกลับไปที่บ้านเมืองเดิมคือมันอาจจะไม่ได้สปายะเรื่องอาหารไม่ได้สปายะเรื่องอากาศจึงของกลับไปจังหวะนี้ตัมบุฟังพระพุทธเจ้าก็ให้โอวาะ น, นะว่าต้องฝึกอย่างไงจิตใจต้องมีการสมรมอินซีย์อย่างไรยังไง สอนเสร็จดีไปแล้วถามว่าจะไปไหนล่ะปุณณนะเออจะกลับไปที่สุนาันบันตารับือคนที่นั่นเขาดูร้ายนะถ้าเขาด่าว่าเธอเธอจะทายังไงล่ะโอผมก็จะคิดอย่างนี้ครับว่าดีแล้วเขาไม่ตบตีอ่ะด่ามัยังดีกว่าถูกตีเออแล้วถ้าเขาลงมือลงไม้เธอเธอจะยังไงล่ะโอผมก็จะคิดอย่างนี้ครับว่าดีแล้วเขาไม่ได้ใช้ ก้อนดินทุบเอายังมืออย่างไม้มันยังมีความนิ่มบ้าง ด, ดีกว่าที่เขาทุบด้วยก้อนดินเอาแล้วถ้าเขาทุบด้วยก้อนดินเอี่ยจะทำยังไงโอ้ท่านครับผมจะคิดอย่างนี้ว่าดีกว่าเขาทุบด้วยท่อนไม้ดินนี่มันยังนุ่มกว่าไม้ไม้นี่มันแข็งถ้าโดนไม้นี่โอ้จะหนักกว่าละเออบุญน้าแล้วถ้าเขาตีด้วยไม้จะทำยังไงโอ้ผมจะคิดอย่างนี้ครับท่านว่า เขาตีด้วยไม้เนี่ยมันยังดีกว่าเขาใช้อาวุธมีคมเพราะไม้มันแข็งอยู่ก็จริงครับแต่เป็นอาวุธไม่มีคมไม่ใช่โลหะถ้าเป็นอาวุธมีคมเนี่ยมันจะหนักกว่าเออแล้วเขาใช้อาวุธมีคมอ่ะเขาใช้โลหะเนี่ยเป็นอาวุธมีคมมีสตรามาฟันนี่เธอจะว่าอย่างไงผมจะคิดอย่างนี้ครับท่านว่าดีกว่าเขาฆ่าเขาฟันเขาแทงเออเรายังเจ็บแต่ยังไม่ตาย อย่างดีจะคิดอย่างนี้เอาแล้วถ้าเขาเขาฆ่าจะล่ะเขาฆ่าเนี่ยเธอจะทํำยังไทอองไท่านพระพุทธนาตอบยังไงท่านบวชท่านผ่องี้บอกว่าผมจะคิดอย่างนี้ครับว่าดูสิพวกสาวโบกบางคนในธรรมะวิไหนเนี้ยฆ่าตัวตายเอาทําไมฆ่าตัวตายเพราะตอนนั้นเนี่ยเป็นปัญญาที่เกินสิบขึ้นไปแล้วท่านบวชเป็นช่วงที่มีเรื่องอื้อฉาไปแล้วว่า ภิกษุกลุ่มหนึ่งเนี่ยไปพิจารณากายแล้วก็ทําการฆ่าตัวตายด้วยความอิจนระระหาังเกียรติในสรีระนี้พระบุตรเจ้าก็จึงบัญญัติเรื่องเนี้ว่าห้ามภิกษุฆ่ามนุษย์ไงเป็นศีลปาราชิกในข้อที่สามท่านก็คิดนี้ว่าดีที่พวกนั้นเขาต้องฆ่าตัวตายเนี่ยผมไม่ต้องฆ่าตัวเองเขามาฆ่าให้เขามาฆ่าให้แล้วตายก็กตายยิ่งดีกว่าฆ่าตัวเอง ไม่ได้ิดศีลปราชิกหนึ่ข้อนี้คิดแบบนี้นะดหวังหมายความว่าในจิตใจของท่านเนี่ยมีธรรมะคือความข่มบังคับใจและมีอุปัสมาคือความสํารวมระวังบุรุษเจ้าสาธุเลยสาธุดีแล้วเธอมีความข่มบังคับใจและมีการสรํารวมระวังอย่างนี้ไปได้ไปอยู่ในสุ น, นารันตาได้ด้วย การข่มบังคับใจคือตมะด้วยการสารวมระวังคืออุปสมะทำให้ท่านไปอยู่ในที่นั้นแล้วนะหาที่เข้ากรรมฐ า, านอะไรต่างๆแล้วภายในพรรษาแรกเท่านั้นเองตองบะฝังได้บรรุอรตะผลที่แคว้นสุนทรประรานานันนั้นจากเคสนี้นะแต่ไม่เราเห็นว่าเออถ้าเราจะฝึกจิตของเราให้พัฒนาจาก ที่ต้องอดทนอดกลั้นอะไรต่างๆแล้วในส่วนของอธิเวศนากันติจนขึ้นมาเป็นธรรมชาติธรรมดาได้นี่ต้องประกอบด้วย1นศรัท ธ, ธาใช่ไหมในที่นี้คือท่านพระปุณณมีจารไในคําสอนของพระพุทธเจ้า 2. ธรรมะคือความคมบังคับใจและสามอุปสมะคือการสรํารวมระวางไมเคสนี้ธรรมะเคสที่สองตัวบังเท้าสักดิ์เทวราช ท้าสกัดเทวราชเป็นหัวหน้าของเหล่าเทวดาในชั้นดาวดึงที่เรามักจะคุ้นชินในชื่อของคว่พระอินที่เขาสร้างสะพานอารุณมรินทร์ไว้ก็เป็นชื่อหนึ่งของพระอินท์ก็คือองค์นี้แหละเท้าสกัดเทวราชนีในสมัยหนึ่งที่รบกันกันกบเท้าเวปเจิตซึ่งเป็นหัวหน้าของฝ่ายอสูรรบกันในคราวนั้นเท้าสกัดเป็นฝ่ายชนะ ก็จึงจับเท้าเวปจิตมาด้วยวิธีที่ชื่อว่าปัญจวิทภพนตนะคือการจองจํห้าแห่งคือรัดที่คอรัดที่แขนสองข้างรัดที่ขาสองข้างไว้บนแผ่นไม้กระดานร่ายมลปิดเอาไว้ไม่ให้หลุดออกไปได้จับมาไว้ที่ประตูสูรธรรมสภาระหว่างที่เท้าส ก, กะเข้าไปในสูรธรรมสภาออกมาจากสูรธรรมสภา สัปดาห์หนึ่งสามครั้งคือวันก่อนวันพระวันพระและวันหลังวันพระเข้าไปทำอะไรเอาสุธรรมสภาเขาเป็นที่ฝังธรรมบึงทีก็ไปแสดงธรรมเองบ้างืองที่ก็นิมนต์พิสุผู้มีวฤตแสดงธรรมบ้างืองทีก็เชื่อเชิญเทวดาองค์ใดองค์หนึ่งให้กล่าวธรรมบ้างระหว่างที่เข้าที่ออกอยู่นี่นะถูกเท้าเวปจิตนี่มุฟังด่า ดายังสาเสียเทเสียด่าด้วยวาจาชนิดที่หยาบคายรายการอันที่แบบว่าฟังแล้วมันแสลงหูที่สุดเลยเง่าหัวทีหน่อยตะคุดมาด่าหมดว่างั้นก็ได้แล้ดากก่าจนกระทั่งว่าคนขับรถของเท้าสักกะที่ชื่อว่ามาตลีเทพบุญนี่เป็นเทวดาที่ประจําอยู่ที่รถของเท้าสักกะนี่โอ้จนทนไม่ได้นะทนไม่ได้ว่ะโอโหนี่ท่านขอโทษนะคือ ถูกด่าขนาดนี้แล้วไม่ตอบโต้เขาเนี่ยที่ไม่ตอบโต้เนี่ยเพราะว่าโง่หรือกลัวกันแน่โง่นี่คือไม่มีปัญญาตอบโต้เนี่ยนะหรือกลัวเขากันแน่ท้าวส ก, กาบอกว่าโอ้ที่ไม่ตอบโต้ไม่ใช่เพราะว่ากลัวหรือไม่มีปัญญาแต่บัณฑิตบิญญูชนอย่างเราเนี่ยเราไม่ตอบโต้กับคนผ่านหรอกคีย์เวิร์ดนะท่านฟังจะไม่ดี คือคนพานการที่เราจะตอบโต้กับคนพาลเนี่ยมันไม่ดีไม่ใช่วิสัยของบัณฑิตคือพอตอบโต้คุณุณก็เสวนาแล้วไงตอบโต้นี่คือการยุ่งเกี่ยวกันนะเสวนาอันี้ไม่ใช่ว่าคุยอย่างเดียวนะคุณคุยกับคนปานด้วยความโกรธของเราเราก็เป็นการเสวนาคนพาลไงถูกเปล่าเพราะฉะนั้นก็จึงไม่ตอบโต้แล้วคือไม่ยุ่งด้วยกเสวนากับคนพานมาตุลีเทพประพฤก็ถามต่อว่า อ, อ้าคนพาล น, นี่ ถ้าเราไม่เกีดกันเขาก่อนนี่เขาก็จะทำเรานะคือถ้าเราไม่ทำก่อนเขาก็จะทำเราก่อนนะ่ะเราก็ต้องทำเขาก่อนไงต้องเกียจกันเขาเสียก่อนไม่งั้นอย่างเงี้ยก็ถูกเขาทำอยู่อย่างเงี้ยแหละต้องทำสิคนบานนี่พระสกัดจึงบอกว่าความสงบระ ง, งับนี่ไงความข่มบังคับใจนี่ไงเป็นการเกีดกันคนบ้านแล้วไม่ใช่ว่าจะต้องด่าเขากราบหรือลงมือลงไม้ แต่ด้วยความข่มบังคับใจความอดทนนี่แหละเป็นการที่เรียกว่ากียรกันคนพานแล้วเฮ้ยแต่ว่าการอดทนที่ท่านบอกเป็นการเกียรกันคนพานเนี่จริงๆมันมีโทษนะเพราะว่าคนพานเนี่ยเขาจะเห็นว่าเป็นคนกลัวนะ่ะไม่ตอบโต้เพราะกลัวยิ่งเขาจะข่มขี่เราหนักขึ้นนะเหมือนโคตัวที่ชนะข่มขี่โคตัวที่แพ้นะ่ะตัมฟังฟังขีไว้ตรงนี้ให้ดีนะ จากที่ว่าไม่ยุ่งกับคนพานใช่ไหมจนมาว่าโอเคกีดกันคนพ่านด้วยความอดทนนะมัลตาลีจึงแย้งว่ามันจะไปเข้าใจว่าอดทนได้ไงเขาจะเข้าใจว่าเราโง่หรือเราไม่มีปัญญาหรือเรากลัวถ้าสกาบอกงี้ท่ผู้ฟังบอกว่าเราจะไปแคร์อะไรล่ะว่าถ้าเขาจะคิดว่าเราโง่หรือกลัวเพราะว่าไอ้ที่เขาคิดนี่ยมันคือประโยชน์ของเขาแต่ประโยชน์ของเราเนี่ยสําคัญกว่า ประโยชน์ทั้งหลายมีประโยชน์ของตนอย่างยิ่งตันว่าคนผู้มีกําลังอดทนต่อคนไม่ดีได้เนบัณฑิตว่าเป็นความอดทนอย่างยิ่งในที่นี้หมายถึงเป็นตีตะกันติแต่คนพานเนี่ยต้องมีความอดทนอย่างยิ่งในที่นี้หมายถึงเขาจะต้องมีความอดกลั้นเขาจะทนไม่ได้เขาจะหลุดอยู่บ้างเขาจะต้องฝืนคืออธิเวชนะกันติแล้วหลุดไงทําไม่ได้ กลายเป็นเก็บกดบ้างกลายเป็นพูดไม่ดีบ้างออกมาแล้วเพราะฉะนั้นคนที่อดทนไม่ได้เนี่ยจึงไม่มีกำลังแสดงกำลังออกมาด่าว่าลงมือลงไม้นั่นไม่ใช่กาลังอย่างแท้จริงแต่คนที่อดทนได้ต่างหากนั่นจึงเป็นกำลังอย่างแท้จริงไม่มีใครที่จะกล่าวโต้คนที่มีธรรมะคุ้มกรองได้เลยคนที่ไม่โกรธตอบต่อคนที่โกรธแล้ว ชื่อว่าชนะสงครามที่ชนะได้ยากคนที่ไม่โกรธตอบเนี่ยนะมีความอดทนเนี่ยนะชื่อว่าประวิติประโยชน์ทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายเขาด้วยและฝ่ายตนด้วยคนที่รักษาตนและคนอื่นด้วยความอดทนนี่แหละจึงเรียกว่าเป็นผู้ฉลาดคนที่ไม่เข้าใจข้อนี้คิดว่าจะทำคนอื่นเขาด้วยความที่ตัวเองไม่อดทนจริงๆแล้วนั่นนะ่ะเป็นคนโง่ เพราะฉะนั้นในที่นี้คีย์เวิร์ดที่สําคัญหมายถึงปัญญาด้วยนงทุกวั่งเห็นโทษเห็นประโยชน์โทษทั้งที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองและผู้อื่นในเวลาต่อมาและต่อมาอีกประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับทั้งตนเองและผู้อื่นในปัจจุบันและในเวลาต่อมาอีกการที่เห็นคุณหรือโทษประโยชน์เหล่านี้คือปัญญานั่นเองเพราะฉะนั้นในเคสของท้าส ก, กะก็คือใช้ปัญญา ในความกลมบังคับใจใช้หลักของบัณฑิตใช้การที่เอชนะตนเองนี่แหละคือกรณีที่จะทําให้เกิดการพัฒนาคันติของเราได้แล้วมาดูตัวอย่างสุดท้ายดู ว, วังเคสที่สามคือเคสของท่านพระสารีบุที่ท่านในสมัยหนึ่งนั้นถูกพรามมิจฉาทิฏฐิคนหนึ่งเขาฟาดลงที่กลางหลังท่านเลยในขณะที่กําลังเดินไปบินบาบัตคือไอพรามคนนี้ตัววั ง, งมันได้ยินมาว่า นี่ท่านพระสารีบุตรเนี่ยวมีความอดทนมากเลยมีขันติอะไรต่างๆอยู่ดีอย่างมากให้พรามคนนี้ฟังแล้วมันก็หงุดหงิดไงของมันก็ไม่รู้มันก็เลยบอกว่าส ง, งสัยไม่มีใครทำให้ท่านโกรธแล้วสิท่านถึงก็จึงดูอดทนดีมาเดี๋ยวฉันจะลงมือเองถึงราวจังหวะจังหวะหนึ่งที่่านเดินมาบินาบาตในเวลาเช้านี่เลียวหัวโคงไปเสร็จปุ๊บเดินตามไปปุ๊บเอามือนี่ ฟาดลงที่หลังท่านเลยพอถูกฟาดลงที่กลางหลังอย่างแรงนี่ท่านนี่ไม่ได้พูดอะไรเลยไม่ได้หันกลับมาดูด้วยซ้าเดินไปเลยถูกฟาดลงที่หลังไม่ได้หันมาดูใครหรือไม่ได้ถามว่าอนี่ใครทำไมมาตีกันอย่างงี้เดินไปเลยพระมิจฉาทิฏฐิคนนี้อึ้งเลยตงง้งวังโอ้แบบไม่สนใจอะไรเลย เ, ลยเนี่ย โอ้ยจึงไปขอโทษขอ่วยท่านไปขอโทษขอโวยเนี่ยท่านก็ยังอนุเคราะห์นะให้ถือบาไปอไปวาดนะไม่ได้ดา่าไม่ได้ว่าอะไรเขาเลยแต่ยังเอื้อเฟื้อปฏิสันทันกับเขาอย่างดียังไปรับพระทหารที่บ้านเขาวันรุ่งขึ้นด้วยรู้ว่คนไม่มีศรัทธาปานนี้ยังไปอยู่หรือนน่เกาเข้ามาขอโทษแล้วไงทางกิ บ, บงังพอพวก ชาวบ้านอื่นรวมทั้งพิ่สุตทั้งหลายรู้เรื่องเข้าอย่างนี้เนี่ยยังมาติดเตียนท่านอานนีกนะทนผูฟังว่าโอ้ยท่านทำไมยังจะไปบ้านเขาอีกยังจะไปรับอาหารในเรือนเขายีงคุยกเขาดีๆไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเลยคนพ่านแบบนี้เนี่ยโอ้ยทําไมท่านถึงอดทนได้ปบบ น, นี้อันนี้คือท่านมีตีติตตขาขันติไงคือขันติที่เป็นอยู่ในสิกขาบทอยู่ในธรรมชาติธรรมดาของท่านแล้วเลยนะ มีอีแค่สิ่งที่คล้ายๆกันคราวนี้ยักเลยตมฟังยักษ์เนี่ยมาตีหัวท่านพระสารีบุตรเรื่องเมื่อสักครู่ปรามที่มีมิจฉาทิฏฐินี่มาในนิฐานธรรมบทเรื่องของพระปุณ น, นิกมาในพระสูตรมัชิมานิกายเรื่องของดาวสักกะนี่ก็มาในพระสูตรสังยุตตนิกายส่วนเรื่องของยักษ์ที่ตีศีรษะของพระสารีบุตรนี้มาในพระสูตรทิชวะชุนหสูตรในกุตกานิกาย มียักษ์สองตนเป็นเพื่อนกันกําลังหาะไปที่ที่ประชุมของเหล่าพวกยักษ์ในคืนวันเพ็งวันหนึ่งซึ่งตอนนั้นท่านพระสารีบุตรกับท่านพระมหาโมคคละนะกำลังนั่งกันอยู่กลางแจง้งคืนวันเพ็งท่านผู้ฟังกลางแจ้งท่านผู้ฟังพระก็ปึ่งโ้นผมใช่ไหมล่ะกคนผมหัวมันก็เหลื่อมมาบมาบเนะี่ะมันก็สะท้อนแสงจันทร์เงาวาววับเลยหัวพระนี่ยักษ์เห็นแล้วมัน มุ่งงันยังไงไม่รู้อยากตีเฮ้ยฉันมีกระบองอยู่เนี่ยหัวหหัวปลาองนั้นมันเดือมมากๆาเลยขอตีซะหน่อยนะเพื่อนนี่คนไม่ได้ปลาองนั้นมีเลือมากไม่แล้วฉันจะตีฟาดลงไปเลยจำไว้ฝังเอาตะบองของยักษ์นี่ยนะฟาดลงไปเนี่ซึ่งตะบองนี้สามารถที่จะตียอดเขาซีเนรุให้แตกเจ็ดเสียงได้เลยอะตีช้างสูง เจ็สดสอกแปดสอให้จมดินไปได้เลยอ่ะแต่พอฟาดลงที่หัวของท่านพระสารีบุตรนิ่งเลยตัมฟังท่านนิ่งเลยรู้สึกเจ็บหัวนิดหน่อยท่านนั่นเองไม่เป็นไรไอ้ทำไมเป็นอย่างนั้นได้มีตรรมะกุ้งกรองรไงเรื่องนี้ท่านพระมหามโมคละณะเห็นด้วยตาทิบของดันโอ้ยท่านพระสารีบุตรนิมริตมากท่านพระมหามโมคลนะนาวะ นนยตีหัวเห็นปานนี้ไม่หวั่นไหวเลยบุคคลผู้มีธรรมะคุ้มครองเนี่ยเป็นอย่างงี้นฟังเราฝึกพัฒนาขันติคือความอดทนของเราให้เป็นตีติกากันติวิธีการพัฒนาก็อย่างที่ว่าไปแล้วต้องประกอบด้วยศรัทธาจิตใจเนี่ยต้องมีปัญญา ไตรตรองใกรกรวรดูให้ดีเห็นประโยชน์เห็นโทษของสิ่งต่างๆเราจะสังเกตเห็นในประกาศสุดท้ายนี้นะทวดหวังว่าขันติเนี่ยอยู่ในธรรมะอื่นๆอีกหลายอย่างเลยทีเดียวคือทีว่าขันติเป็นทุกสิ่งเนี่ยนะคือเป็นข้อสังเกตของกัปปเจ้านืาว่าในศีลสมาธิปัญญาหรือธรรมะข้อไห น, นๆต้องมีขันติแทรกอยู่เสมอในขันตินั่นก็จะมีปัญญามีศรัทธามีศีลแทรกอยู่แน่นอน แล้วก็เห็นเป็นตัวบทเป็ญชนะเลยคือในคารวัตธรรมสีเป็นตนคารวัตธรรมสีคือสัจจะหมายถึงความจริงธรรมะหมายถึงการข่มบังคับใจขันติคือความอดทนจากคะคือความเสียสละแล้วก็มีขันติอยู่ในนี้ธรรมะของผู้ครองเรือนสี่อย่างคารวัตธรรมหรือธรรมะที่ทําให้งามคือขันติหมายถึงความอดทนและโสระจัต คือความสงบส ง, งยมหรือในบารมีสิทธัสบารมีสิบ ป, ประการที่จะเริ่มต้นโดยฐานบาะบารมีศีลบารมีก็จะมีขันติบารมีอยู่ในนั้นด้วยหรือว่าในเรื่องทศพิ ร, ราชธรรมคือธรรมะสำหรับคนที่อยู่ในชนชั้นปกครองก็จะมีขันติคือความอดทนอยู่ในนี้ด้วยเลยนอกจากนี้ท่านฟัง ขันติเนี่ยยังนำไปใช้ในเรื่องของความสำรวมระวังและในเรื่อ ง, องความสำรวมระวังที่เป็นวิธีการปิดบาปอกุศลธรรม5อย่างเนี่ยที่มีปฏิโมกสังวรสติสังวรยานะสังวรวิริยะสังวรแล้วก็ยังมีขันติสังวรด้วยคือการสำรวมด้วยขันติอันนี้ก็มีในที่นี้ก็อยากจะจบปิดท้ายด้วยอนิสงของขันติที่เป็นพุทธพจน์ มาในอักขันติสูตรท่านบอกว่าบุคคลผู้มีขันติแล้วจะมีอ น, นิสง์ห้าประการคือหนึ่งย่อมเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของคนเป็นอันมากสองย่อมเป็นผู้ไม่มากด้วยการบุกเวรสย่อมไม่มีโทษเป็นผู้ไม่โหดร้ายเป็นผู้ไม่เดือดร้อนเป็นผู้ไม่หลงไหลทํากาละและเมื่อตายไปแล้วก็จะไป สุกติโลกสวรรค์ได้ทั้งหมดนี้ทังฝังคือเรื่องของความอดทนว่าความอดทนนั้นคือทุกสิ่งอดทนอดทนอดทนทัมฟังทนในสิ่งที่ทนได้ยากทําในสิ่งที่ทำได้ยากจะทาให้เราเป็นผู้ชนะเป็นบัณฑิตขึ้นมาได้นในนีงในช่วงของใา้ร่มพุิธบุตรนั้นจะมาพบกับทัมฟังเป็นประจำในทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลาตีห้ถึงหโมงเชา้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแต่สามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ปัญญา .org e a n y a .org หรือว่าตามโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มมียูทูบช anel แล้วก็เฟซบุ๊กแฟนเพจด้วยรายการนี้จัดโดยมูนธปัญญาภาวนาซึ่งมีข้าพเจ้าประ มหาไพบูุญอีิปุนโนเป็นผู้ร่มดำเนินรายการและพบกันมในวันพรุ่งนี้สรัสดอรั